ทำกรรมดีก็ไม่ผลไม่สุขท่า น, นี้บางท่านมาบอกว่าก็มีบางท่านบอกว่าตายแล้วมีสภาพโนูน เ, เรื่องนี้ธรรมมาก็ไม่เถียงเพราะว่าถ้าเถียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็สุดท้าแต่ใครจะมีความเห็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่โนูน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 จะมาคุยกันถึงเรื่องของคนขอฐานคือโกตุฮาดิกะโกตุฮาดิกะนี่ในสมัยใช่ก่อนจะเป็นไงก็ไม่อาไปไว้ก่อนนะเอาชาตินี้ก่อนแล้วกันชาตินี้เธอเกิดมาเป็นขอฐานด้วยเป็นโลกเรื้นด้วยในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงยินดีใส่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 ไปเพื่ออยาขอทานบดีเห็นองค์สมเด็จพระจินดารสีเทศก็นั่งอยู่ห่างคนองค์สมเด็จพระทสกน์สมเด็จพระสน์ก็ส่งบันดาลให้เสียงเขาองค์ฟังชัดเมื่อฟังเทศจบเธอก็เป็นประโสดาบันพระพุทธเจ้าก็คดจกักบคนอื่นก็กลับโกตุฮาริกรกขอโทษ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 เมื่อพูดเสร็จฉันจะบันดาลให้เราเรื่องเธอหายให้มีร่างกายสวยแล้วก็จะบันดาลทรัพย์ให้หลุนมาจากอากาศเธอจะเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ผ <c oughs> ู้ป่าผุทธากุฏิก็ดีใจถามว่าใจพูดว่ายังไงพิ่อ ก, ก็บอกว่าเอาพูดเฉยๆนะหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า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 ถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์จงถอยไปเธอว่าท่านบอกว่าเราคนจนเราจนแต่เพียงโลคิยาซักแต่อริยาซัเก็มีมากถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรกเรื่อรงก็ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายต่อไปเราจะมีความสุขมีสวรรค์ไม่มีไป มาพระอินทร์ทดลองแบบนี้แล้วฟังแบบนั้นก็มีความมั่นใจว่าสุปราภูธกุติเป็นพระโสดาบันแนก่ก็หายไปท่านหายไปสุปรุภธกุติก็ตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ทันถึ ง, ถงบรรดาท่านพุทธริสัต์ทั้งหลายว่าสุปรุภธกุติคนี้สร้างกรรมชั่วไว้ตั้งแต่ก่อนร้อยเจ้าร้อยชาติที่ผ่านมา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 ถ้ายักษินีมีจริงขอเราจงไปเกิดเป็นนางยักษินีแล้วข้าชายทั้งสี่คนนี้ทุกชาติที่เกิดเป็นนั้นว่าสุกป่าพุทกุกติไปเฝ้าพระเจ้าเสาวดันก็ไม่ทันจะถึงถูตนางยักษินีแปลงเป็นวัวไม่รูอ่อนขิ่ตาย และเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็ทราบถึงองค์สมเด็จพระปฐทบเจ้าแล ะ, ระบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจำใจว่าพันธุ์เทพระเขาวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระว่ า, จ า, จาเจ้าผู้เจริญอยากจะทราบว่าผลของการที่สุปะพุทธกุฏิเป็นมระโสดาบันเป็นยังไงเพราะเจ้าข่าวมาตายไปแล้วพระเจ้า ก, ก็ตอบว่าอาศัยที่เขาเป็นมระโสดาบัน